ความสำคัญของเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ 18. พระที่จะเป็นเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ให้พิจารณาตัวเองให้ดีๆว่าเราไม่ได้ไปเป็นเพื่อที่จะทำตามใจกิเลสเราไปเป็นเพื่อชำระสะสางตัวเองและพระเนนที่ย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัยเพื่อจะได้นำทำข้อวัดปฏิบัติฟื้นฟูพระศาสนาที่ตกต่าให้ดีขึ้นเพื่อเป็นผู้นากุลบุตรลูกหลาน ประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลถึงขั้นนิพพานอย่างถูกต้องเราไม่ต้องไปกลัวว่าถ้าปฏิบัติเคร่งครัดเกินไปจะไม่มีเพื่อนไม่มีใครมาอยู่ด้วยหรือจะไม่มีกุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชประพฤติปฏิบัติสืบทอดศาสนาตามความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้ประชาชนญาติโยมยังขาดผู้ที่จะนำพาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่มีปัญญาเขารู้จักสังเกตความประพฤติปฏิบัติของพระถ้าที่ไหนปฏิบัติย่อหย่อนเขาก็ไม่เลื่อมใสศรัทธาแต่ถ้าที่ไหนปฏิบัติถูกต้องตรงต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วเขาก็มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสยอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนถ้ามีลูกมีหลานก็แนะนำให้มาบวชให้มาประพฤติปฏิบัติเราอย่าไปเน้นทางวัตถุให้เน้นทางจิตทางใจทางข้อวัดปฏิบัติ ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเราจะไปยุ่งกับการก่อสร้างมากมันไม่ดีมันจะลำบากญาติโยมหนักๆเข้าภายหลังจะทำให้เป็นหนี้เป็นสินต้องวิ่งเต้นหายอมคนนั้นคนนี้หาวัสดุที่โน่นที่นี่หากรถินพ่อป่าหากิจกรรมเพื่อจะได้เงินมาก่อสร้างเน้นสร้างพระให้เป็นพระเน้นสร้างเนนให้เป็นเนนนั้นมันประเสริฐที่สุดแล้ว